ที่6มิรกฎาคมพศ2540ใิการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเกื่องปฏิจจสมบปบาทอภิสมัยวักโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัพพาท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรวันนี้เราจะขึ้นวักสุดท้ายของอภิสมัยสังยุต เป็กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในวักสุดท้ายนี้ท่านเรียกว่าอภิสมัสมยะวักอภิสมัยะหรืออิสมัยนั้นแปลว่าความตรัสรู้ในวักนี้มีทั้งหมดสิบเอดสูตรด้วยกันเนื้อความของสูตรนั้นจะคล้ายๆกันแต ค, คล้ายกันคือกล่าวถึงเรื่องประโยชน์โดยเรื่องความสำคั์ของการบรรลุธรรม ว่าการบรรลุธรรมนั้นมีความสําคัญโดยวโวหารทางเปรียบเทียบอย่างไรสูตรแรกมีชื่อว่านักขาสิกขาสูตรนักขาสิกขาสูตรนั้นโดยชื่อก็แปลว่าเรื่องฝุ่นที่ปลายเล็บนักขะแปลว่าเล็บสิกขานะัแปลว่าปลายอย่าลืมว่าสิกขาที่มีกไก่สะกดนั่นแปลว่าการศึกษาถ้าสิกขา ที่ไม่มีกอไก่สะกดแปลว่าปลายหรือยอดแล้วแต่จะใช้ในที่ไหนก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นจุดที่สูงหรือจุดที่มีปลายมียอดในที่นี้เมื่อมาใช้กับเล็บก็แปลว่าปลายเล็บแปลตามชื่อตรงๆนะั่นแปลว่าเรื่องปลายเล็บแต่ไม่ได้พูดถึงตัวเล็บโดยตรงกล่าวถึงสิ่งที่ติดที่ปลายเล็บอันเกี่ยวด้วยพุทธจริยา ในการยกอุทาหอนขึ้นมาสอนในครั้งนี้ความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบญิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพันณขาช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากข้อความตรงนี้เราก็จะวาดภาพเห็นพุทธจริยาค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับ เวลาผู้แจ้งแสดงธรรมนั้นบ่อยๆครั้งได้ทรงใช้ท่าทางประกอบใช้ท่วงทีประกอบแล้วก็ใช้วัสดุปรกรณ์ประกอบการสอนกรนี้วัสดุประกอบสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเรื่องให ม, ใหม่ๆเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ก็จะใช้สิ่งใกล้ๆตัวมาเป็นเครื่องประกอบการสอนในบางแห่งนั้นทรงยกประหัตขึ้นแล้วก็โชบอากาศแล้วก็ตรัสถามว่าในมือของเรานี่มีอากาศติดไหมโชบอากาศติดไหม อ่าข้อนี้ก็เป็นการยกอุปมาขึ้นก็เป็นความน่าดูอย่างหนึ่งสำหรับในที่นี้ทรงยกปลายพนาขาก็แน่นอนนะครับว่าเราก็ไม่ทราบว่าในตอนนั้นพระผู้มีภาคทรงปล่อยพนาขายาวแค่ไหนไม่ได้บอกแต่ก็คงจะไม่ใช่ เ, เล็บที่ตัดจนสั้นติดเนื้อช้อนฝุ่นไม่ติด ก็คงจะยาวแต่ไม่ยาวมากเนื่องจากว่าวินัยนั้นบงังคับไม่ให้สงนั้นไว้เล็บยาวคนที่ไปบวชเป็นพระเป็นทีเนี่ยต้องต้องหมั่นดัดเล็บไม่ให้เล็บยาวเ อ, อทีนี้ว่าฝุ่นที่ทรงใช้ช้อนเนี่ยท่านก็คงจะเดาถูกนะครับว่าคงจะไม่ได้มีการเตรียมฝุ่นไว้ในโลกของการจัดฉากลานนนเตรียมฝุ่นไว้โดวยว่าลูกเจ้าจัาว่าเราจะแสดงธรรมะเรื่องปลายเล็บเธอเอาฝุ่นไป ไ่ถ้วยไม่สักถ้วยไรกะลาไม่ตกะลาหนึ่งใกล้ๆที่เรานั่งอยู่คงจะไม่ได้เตรียมอย่างนั้นทีนี้ถ้าถามว่าเอาพระนักขาไปช้อนปุ่นที่ไหนปุ่นที่ดินแล้วหมายความว่ า, วางไงแล้วถ้าผมจะช้อนบาอ้างจะได้ไมดหมฝุดแล่ททำไมพุทจะเจ้าช้อนได้ก็เพราะว่าที่แสดงธรรมของพุตธเจ้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะแสดงแกประสง์เนี่ยแสดงที่วัด แล้วก็ที่วัดนั้นไม่ได้ปูก้อนหินไม่ไดเ้เทคอนกรีตไม่ได้ลาดยางมาต่อยตรงประทับบนพื้นดินในที่ที่เป็นพื้นดินนั้นก็จะมีฝุ่นอยู่ด้วยก็ส่งช้อนในที่นั้นนั้นทีนี้ก็มีมีบทอธิบายอีกอันหนึ่งว่าฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้พระนัขาช้อนนั้นติดหรือไม่ติดไหมั้งติดไปเลียบหรือไม่จากน้ำตาลในสูตรติด ตรงนี้แหละครับที่อัจารย์าถาท่านก็บอกว่าโดยลักษณะพระชวีวันของพระศ า, าสดานั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษอันหนึ่งว่าฝุ่นจับไม่ติดเราก็พูดเองว่าต่อให้ทรงประทับเควียนหรือซ้อนมอเตอรไซรับจ้างวิ่งฝ่าดงฝุ่นที่ถนนยังไม่ได้ลาดตูนลาดยางเนี่ยฝุ่นก็จะไม่จับ พูดง่ายว่าหัวไม่แดงเหมือนอย่างเราๆเงี่ยนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะบมีรอยแปกเปื้อนแต่เ อ, อพระชวีวันเนี่ยละเอียดมากละเอียดจนฝุ่นจับไม่ติด อ, อเราพูดถึงคนที่มีผิวพันธ์ละเอียดดีมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าผิวพันธ์ละเอียดแต่ไม่ได้ทราบหรือไม่ได้ถามเขาว่าฝุ่นจับติดหรือไม่แต่โดยธรรมดาในผิวที่ละเอียดมากๆเนี่ยนะะอย่างคนที่รูขุมขนใหญ่ขี้ยหยาบไอ้ขี้ฝุ่นอะไรงก็ติดได้ง่ายเป็นกองธรรมดา อะไรที่เป็นผิวละเอียดเนี่ยอย่างม比如าพื้นดินเนี่ยนะไอ้พื้นทีไอ้พื้นที่เราเดินเนี่ยถ้าเป็นพวกหินขัดอะไรพวกนี้ฝุ่นก็จะไม่ก่อจับใช่ไหมฮะหรือว่าพวกเครื่องถ่ายเอกสารไอ้พวกกระจกกระจีอะไรเนี่ยฝุ่นจับไม่ติดอะ่ะก็จะมีคุณสมบัติก้อนแข็งพิเศษอย่างนั้นแต่ว่ามี่ท่านถือว่าสําเร็จด้วยบุญฝุ่นจับไม่ติดแม้แต่ที่เล็บเนี่ยฝุ่นก็จะจับไม่ติด จะพูดในงานพุทธเจ้ามไม่มีขี้เล็บฟังดูเกินไปหน่อย อ, อ้วาวอาจารยท่านบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมฝุ่นถึงติดท่านก็ตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานเวลาช้อนทรงอธิษฐานฝุ่นให้ติดที่หลายเล็บฝุ่นก็ติดปรากฏความจริงเนี่ยพิสุสงที่นั่งอยู่ที่นั้นก็คงจะไม่เห็นฝุ่นนะครับพูดอย่างเชื่อว่า ฝุ่นติดปลายเล็บแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงชูให้ดูพิสูจนอยู่ข้างหน้าอาจจะเห็นอยู่ข้างหลังอาจจะไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่สาระสําคัญแต่ฝุ่นติดปลายตาหัดจริงจึงได้ตรัสถามว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงฝุ่นประมาณน้อยนี้ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้นกับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันหนอ เราก็เดาได้แล้วว่าพิสสุส่สงจะกราบทูลว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมากกว่าฝุ่นประมาณเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาช้อนขึ้นมีประมาณน้อยเมื่อเทียบ ก, กับแผ่นดินใหญ่แล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาช้อนขึ้นมีประมาณเย่น้อยย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยไม่ถึงเสี้ยวที่พัน ไม่ถึงเซี่ยวที่แสนดูก่อนีิสูจน์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปนี่แหละของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรัสรู้แล้วมีมากกว่าส่วนที่เหลือมีประมาณน้อยความทุกข์เป็นสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพเมื่อเทียบ เข้ากับกองทุกที่หมดสิ้นไปอันมีในก่อนไม่เข้าถึงไม่เท่าไม่เข้าถึงเซี่ยวที่ร้อยเสี่ยวที่พันเสี่ยวที่แสนดูก่อนีิสูจน์หลายการตัดสินุธรรมให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แหละการได้ทำมาจากสุขให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แหละนี่เป็นพุทธพจน์สั้นๆแต่ว่าให้ความรู้สึก สดชื่นให้ให้ความหวังให้ความเชื่อมั่นกับการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากที่ทรงตรัสถึงผู้สมบูรณ์ในทิฏฐินี่หมายถึงใครเอาง่ายๆว่าท่านพูดถึงความทุกข์ของใครที่ว่าหมดไปมากเหลือน้อยพูดถึงความทุกข์ของใครใครนี่พอหมายถึงพระอริยะชั้นไหนพระอริยะหรืปุชนตอบว่าพระอริยะแล้ถามว่าพระอริยะชั้นไหน ตอบว่าพระโสดาบันนี่เป็นการกล่าวถึงอริยะชั้นต่ำเลยนะว่าความทุกข์ที่หมดไปเนี่ยยังหมดไปมากเหลือเล็กน้อยพระโสดาบันนั้นชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผนะู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสมบัติทิฏฐิสัมปันนะถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดไม่มีแล้วเหลือแต่ความเห็นถูกความเห็นถูกที่ท่านมีอยู่ ออย่างพร้อมเพรียงเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิทิฏฐิความเห็นผิดที่ว่านั่นคืออะไรกตอบว่าความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตเรื่องกรรมเรื่องการเกิดเหล่านี้เป็นเรื่องของความเห็นถูกเห็นผิดที่เกิดขึ้นละทธิโสดาบันนั้นไม่มีเลยจึงชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยความเห็นเรื่องถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนจะมีอนาคตมั่นคงหรือไม่ อยู่ที่ความเห็นของบุคคลนั้นความเห็นนี่เป็นเป็นตัวทําลายโดยอ้อมโดยตรงได้อย่างมากที่เดียวเป็นตัวรับประกันบุคคลนั้นและคำว่าตาสลูก็หมายถึงตัสลูเป็นพระโสดาบันคือบรรลุโสดาปฏิมัตินี่เป็นการกล่าวถึงระยะสาวกชั้นนี้และที่กล่าวถึงว่าความทุกข์เป็นสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพ ตรงนี้ะที่เรียกว่าสัตตะคัตุประมะสัตตัตุประมะหมายถึงอย่างยิ่งแค่เจ็ดชาติอย่างยิ่งแค่เจ็ดอัตภาพก็ได้วความว่าพระพุทธเจ้ากาลังตรัสว่าความทุกข์ที่กล่าวถึงนี้หมายเอาวัตทุเคือการเวียนว่ายแต่เกิดโดยธรรมดาสัตว์ที่มิได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน การเรียนไหว้ตายเกิดนั้นยังไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีที่สุดเมื่อยังเกิดอยู่ความทุกข์ก็ยังจะต้องมีอยู่ความทุกข์ในการไห ว, ว้ตายเกิดนั้นสําหรับพระพุทธศาสนาสําหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องของชีวิตสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้ ว, วมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นภัยใหญ่ของสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบอธีษสามนมนบว่าสิ่งใดเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ พระผู้มีภากะกตรัสว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์และทุกที่ทรงตรัสนี้ไม่ได้หมายเอาทุกเบ็ดตเตล็ดว่าทุกที่มันอาศัยความทุกใหญ่เกิดขึ้นความทุกใหญ่ในคลุมความทุกอื่นแม่เล็กแม่น้อยไว้ทั้งหมดคือการวไว้แต่เกิดท่านจึงหมายถึงวัดแต่ทุกเกิดอย่างยิ่งเจ็ดชาตินี่เมื่อเทียบเข้ากับกองทุกที่หมดสิ้นไปอันมีในก่อน ไม่เข้าไม่เท่าถึงเสี้ยวอย่งพันจนถึงแสน อ, อตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอธิบายว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องเกิดเจ็ดชาติอย่างนั้นหรือเท่านั้นหรือตรงนี้หละครับที่จะเป็นง่ายมุมใหญ่โดยมากเราก็จะพูดว่าเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดเจ็ดชาติแล้วก็ในพระสูตรก็หลายสูตรก็พูดว่าเกิดเจ็ดชาติเกิดเจ็ดชาติ แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงพระสูตรทั้งหลายในที่ทั่วทั่วไปแล้วก็จะพบว่าพระโสดาบันเนี่ยเราแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ก่อนพวกหนึ่งโสดาบันที่บรรลุอริยะสูงขึ้นได้ ในภพนี้หมายถึงในอาตภาพนั้นในภพนั้นสองโสดาบันที่ไม่บรรลุอริยสูงขึ้นได้ในภพนั้นก็คือเป็นโสดาบันเท่านั้นในชัชาตินั้นเหมือนอย่างนาวิศาการนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีคนมักจะ อดสงสัยว่าเอ๊ะถ้าโสดาบันเกิดเจตชาติและตอนที่พระสารีบุตรเป็นโสดาบันทำไมไม่เกิดเจตชาติตอนที่พระโมคคัลลานะเป็นโสดาบันทําไมไม่เกิดเจตชาติพระอนอนท์ก็เป็นโสดาบันจนเกืดเกิดจอนพระพุทธเจ้าบริณิพานแล้วทําไมถึงไม่เกิดเจตชาติก็เพราะว่าเราต้องตรงนีต้องแบ่งก่อนเลยว่าโสดาบันชนิดที่เป็นอายะสูงขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นโสดาบันเมื่อแก่ อย่างเช่นหลายหลายท่านเนี่ยเป็นโสดาบันเมื่อแก่พอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ตีรว่ดเป็นอหรหันต์อริยพันเลยก็จัดเป็นโสดาบันประเภทแรกหาผมถามว่านางวิสาขาเป็นโสดาบันประเภทไหนประเภทสองอนาถบินธิกาเศรษฐีเป็นโสดาบันประเภทไหนประเภทสองมีประเภทหนึ่งประเภทสองได้ห ล, ละแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพระเจ้าบุญพีสาล ก็เป็นโสดาบันประเภทสองนะอีกหลายท่านเป็นโสดาบันประเภทที่สองนี้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันที่จะเกิดเท่านั้นชาตินีชาตหมายถึงโสดาบันประเภทสองส่วนใครที่เป็นโสดาบานันตั้งสมมตาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเป็นพระอาหารหันต์เมื่อแก่ก็เป็นโสดาบันประเภทแรกเด๋วยวไปบอกเขานี่คุณจะต้องเกิดอิกเคียชาติบุญไม่ได้แล้ว คนนั้นถือข่านเรียกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอปัดชิมภวิกะเป็นปัดชิมพรวิกษัตว์คือผู้มีพบสุดท้ายแม้จะเป็นโสดาบันอยู่ตั้งยี่สิบสาสิบปีก็เรานักเย่างทานนนเนี่ยเป็นโสดาบันอยู่ตั้งนานมากนะส่วนพระพุทธเจ้าปริญญาภานเป็นสิบสิบปีจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในภายหลังนั้นพวกนี้ไม่กล่าวถึง นถ้าสมมตราศรีบัณ น, นั้นบรรลุอริยสูงขึ้นไปเช่นว่าเป็นพระสกิทาคาสูงขึ้นไปก็ถือทาชาตนั้นปันแค่สกิทาคาก็เป็นสกิทาคาต้องพยากร์ในกติของสกิทาคาถ้าชาตินั้นเป็นได้ถึงพระอนาคามจะอีกกี่ปีกต็ตามก็ต้องพยากรณ์ในกติของพระอนาคามถ้าชาตินั้นจะได้เป็นพระผานก็ต้องพยากรณ์ในฐานะ ข, ของความเป็นพระผาน ไม่พยากรในฐานะโสดาที่บรรลุอยู่ตั้งนาน อ, าอันนี้ก็ไม่ไม่กล่าวถึงพวกที่เป็นโสดาบันประเภทสองเนี่ยมีอยู่4ประเภทอยู่ประเภทหนึ่งเกิดชาติเดียวที่เรียกว่าเอกพิจีตร กีชะเนี่ยแปล ว, ว่าพืชหมายถึงพืชคือกำเนิดพืชพันคือกำเนิดเหมือนพืชเม็ดเดียวพืชมเมล็ดเดียวเรียวกว่าพีชะต่อไปเกิดสองชาติโกหลังโกละโกหลังโกละโกหลังโกละก็แปลว่าจากสกุลสู่สกุลนี่เรียกอัตลักษว่าสกุล หมายถึงอัตภาพไม่ได้หมายถึงนามสกุลไม่ได้หมายถึงสกุลโดยตรงหมายถึงชาติเหมือนกันเป็นไวัยพจนธที่เรียกชาติอีกไวัยพุทธหนึ่งและประเภทที่สามคือสัตตัคตุปธรรมสัตปัค ต, ตุปธรรมแปลว่าเกิดเจ็ดชาติเป็นอย่างยิง่งประเภทที่สี่ที่พูดไว้น้อยที่ในพระไตรปิฎก คือพวกวัตตาพิรตาเกินเจ็ดชาติวัตตาพิรตาวัตตานั่นแหละแต่สะกดเป็นวัตตาแล้วก็พอสําเภาสไลอีกแล้วก็รอเรือแล้ต่อเตาสลามาแยกเป็นสองคำว่าวัตตาบวกอภิรตาอภิรติอภิรดีแปลว่าอะไรยินดีอย่างยิ่งผู้ยินดีอย่างยิ่งในวัตตาสงสารฟังแล้วงงเลยไหม ว่าเอเป็นโซดาบันไม่ควรจะเบื่อพบเบื่อจัดและ ท, ทําไมจริงๆกาตอบว่าท่านไม่จริงๆนั้นไม่ใช่ว่าขั้นจะชอบการเกิดหรอกไม่ได้ชอบอย่างนั้นแต่ว่าทํำประเด็นว่าเหมือนยง ย, งยินดีในการเกิดโดยอ้อมโดยอ้อมว่าเหมือนอ่าพระโพธิสัตว์เนี่ยถามว่ายินดีในทุกแล้วบอกไม่ใช่ยินดีในทุกแล้วยินดีในที่เขามากว้างตาแล้วยินดีในทีเ่เขามาทำโน่นทํานี่เลย ยินดีทุกเลอวบอกไม่ใช่แต่เหมือนว่าจะยินดีทุกรื่องะไรเพราะยินดีในบารมีแล้วยินดีในบารมีเพราะอะไรเพราะยินดีในความตรัสรู้ก็พูดเหมือนชาวบ้านเรียกว่าเหมือนอาหาทุกใส่ตัวประเภทนั้นเหมือนยินดีในทุกความจริงไม่ได้ยินดีในทุกแม้แต่ไอพวก เ, เสพยาเสพติดมันก็ไม่ใช่ยินดีในทุกหรอก มันยินดีในความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดที่มันเอาโน่นเอานี่มาทิ่มมาตามตัวมันนะ่ะทีนี้เดี๋ยวว่าให้ชัดอพูดถึงตรงนี้นะผมก็ตั้งใจนานแล้วว่าจะเปิดบรรยายจารนัยถึงลระอริยแต่ละประเภทแต่ละประเภทให้เป็นเรื่องใหญ่สักทีรวมทั้งพระโสดา ด, ด้วยเพราะว่าเรายังเข้าใจคุณคือคุณคืออะไรกันอยู่เยอะนะ แล้วก็เอาเอ า, เอาประวัติจริงๆในสมัยก่อนมาว่าว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรเอ่อจะได้เข้าใจชัดไปเลยตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระราห์ก็พูดว่ามันมีข้อมูลอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยทีนี้กําลังจะพูดว่าเอ่อพระโสดาบันประเภทวัตตาพีรตาวัตตาพิรติเนี่ยท่านไม่ได้พอใจในสังสารวัฏจริงๆ แต่พอใจอย่างอื่นพอใจอย่างอื่นหมายถึงว่าใครๆว่าแม้เราก็ในนที่จะไปนิพพานแล้วก็เกิดทำอะไรไปพรางๆก่อนประเภทนี้นะเจอบัณฑิตในสวรรค์ชั้นโน้นชันนี้ในปรโมโลกชั้นโนูนชันนี้ฟังทำบำเพ็ญประโยชน์ได้ไปพลางก่อนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมประพฤติทธรรมเพื่อจะช่วยแนะช่วยนำอะไรก็ได้ก็คิดอย่างนี้ ตอนนั้นอย่างกรณีของพวกโตดาวัตตาเวสตาเนี่ยมีใครบ้างอนาถาบินติกาเจถีนางวิสาขาอย่างนี้เป็นพวกโตดาบันระดับเชี่ยวปัญญับานอย่างคือเป็นพวกชอบบำเพ็ญประโยชน์ก็เลยเกิดฆ่าเวลาเลยจะเรียกว่าไงนี่บำเพ็ญประโยชน์ฆ่าเวลาแล้วเกิดฆ่าเวลาเขาไม่รู้แหละก็เลยเกิด ตะลุยไปเลยบางออย่างเช่นว่าอย่างกรณี น, นางวิสาขาเนี่ยเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกเวลานี้เอ๊ะไม่ใช่ชั้นที่หกในสวรรค์มีห้ามีหกชั้นกามาจอนนะเกิดชั้นที่ห้าเกิดชั้นที่ห้านางวิสาขาเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเลื่อนไปชั้นที่หกเลื่อนไปพรหมโลกเกิดไปเรื่ยอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนกระทั่งไปถึงอาการนิสสพลมจะไปปรินีพานในสุทาวาสพรมชั้นสุดท้ายพูดไปพูดมาเราก็ชอบเหมือนกันนะตีเหมือนกันด้ไยนกะ็จะไปนิพานอยู่แล้วจะรีบไปทำไมล่กะก็โยบ่บำเพ็ญประโยชน์ไปสิยอมทุกหน่อยนะจึงก็ไม่มากนะักกระตุกแก้ทุ ก, ทกประจำชีวิต ไอ้ทุกอย่างอื่นก็มันก็ไม่มีและทุกทางใจก็มไม่เคยมีก็เกิดช่ยเหลือเกิกุญเนตมันเรียกว่าเป็นโสดาบันที่มีคติพระโพธิสัตถ์มีคติพระโพธิสัตถ์หรือโสดาบันประเภทนักสังคมสงเค ร, ระาะ์ก็ได้เรียกว่าถ้าจะพูดเทียบอย่างนี้เป็ประเภทธรรมะถั่วธรรมะถั่วจะจักไหม เขาเรียกรมาตัวเปล่าหรือกรถินอะไรที่ไปทำบุญด้วยแล้วก็ปออล่อยสนุกไปด้วยไอจะไปเที่ยวสนุกทีเดียวก็ไม่เอาหรอกไอทำบุญทีเดียวก็หน่อยไปต้อง ต, ต้องอย่างเนี้ยถึงจะได้บุญได้ความสนุกมีกำลังหน่อยก็ชอบแบบนี้แม่ถ้าไปอินเดียเนี่ย เ, เราก็เห็นว่าบางคนเนี่ยเขาชอบไปแบบ แบบแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยถึงก็เอาเอาเบียร์อะไรไปกินเน่งก็ยังเคยมีนะอาจารย์ดำมาเล่าให้ฟังเนี่ยบางพวกอะแต่ไม่ใช่พวกเราหรอกพวกเราก็จะกินก็นแบบกินกันเองแล้วกันแต่มี <laughs> เขาก็ก็ชอบเขาอย่างนั้นสนุกสนานอะไรกันไปแล้วก็ไปกราบพระเราก็ต้องยอมรับมรรติภูมิทําคนนี้ต่างๆกันใช่ไหมฮะอีกบางคนเขาก็ไปแล้วก็อ่าไปแบบทัศนศึกษาดูนั่นดูนี่แต่จะให้ไปนั่งปฏิบัติอะไรเนี่ยเขาาไม่เอาเขาไม่มีเชือ่อ บางคณะแต่อย่างคณะที่เราเคยไปเนี่ยเราเราชอบปฏิบัติกันด้วยนัปฏิบัติส่วนใหญ่เราไปถึงที่ไหนก็นั่งปฏิบัติกันได้ครึ่งก่อนจะโมงก็ทําได้ไม่เบื่อถ้านลงไปปนกับพวกอื่นเนี่ยเขาเขารับไม่ได้ครับเขาต้องอึดอัดแน่นอนเขาไหวได้แค่อามิตบูชาเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็สพระโสดาบันเนี่ยเทียบให้ฟังโดยปริยายคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งก็นับผสมลักษณะอย่างนางวิสาขาไม่ได้รีบเร่งที่จะเข้านิพพานเดี็ดทีเดียว มันมีปัญหาว่าพระสกิทาคาเนี่ยเกิดอีกเพียงชาติเดียวนะแล้วก็แล้วพระนาคาก็เกิดครึ่งชาติกันเลยกับไม่ใช่อ่ะอย่างพระนาคาเนี่ยนะบางทีก็เกิดหลายชาติบางองค์เนี่ยเกิดอย่าเช่นอนาค า, าที่ไปมีทั้งไปสุทาวาสเลยภูมิแรกพวกสัตว์จินี ไปอวิหาอาตัตาปาสุทัศษาสุทัศสีอังกัณิธาไล่ขึ้นไปตามระดับถ้าไล่ขึ้นไปตามระดับมีกี่ชาติแหละห้าชาติใช่หมห้าชาติแต่ว่าการเกิดเป็นชาติชาติของพวนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เหมือนเราเนี่แต่ละชาติเขาใหญ่โตอัตราเสี่ยงก็สูงอย่างเราเนี่ยนะ เวลาจะเกิดแต่ละชาตินี่โอ้โหต้องให้อารมณ์กันแล้วให้อารมณ์กันดีต้องประคับประคองกันเพราะว่าไอ้กรรมกามาวจรกรรมเนี่ยมันโอ้โหรุนแรงมันพลิกหน้ามือไปหลังมือได้อย่างน่ากลัวแต่ถ้าไปอยู่บนนู้นแล้วมันง่ายนิดเดียวบางทีคล้ายๆว่าพอออกจากห้องแตตัวฉันเกิดใหม่ได้เนี่ยมันเกิดจะไม่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหมือนอย่างพร อ, อินทร์นี่ยขนาดฉันกามาวจรเนี่ยแต่ภาพการเกิดเนี่ยดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่า ไอ้ไอ้ความวุ่นวายเนี่ยมันเรื่องของกรรมแต่ว่าพวกลมหรือพวกออนาคามีไม่มีความวุ่นวายเรื่องนี้กรรมก็ไม่มีกระตาเสี่ยงเลยคือพูดง่ายกว่านั่งตายนอนตายเล่นมารอสตายก็ยังได้แต่ไม่มีหรอกเปรียบไม่ต้องไม่ต้องมาให้พระม า, มาโปรดไม่เป็นไรไม่มีต า, าเสี่ยงเหมือนยังกลางมาวจรเพราะฉะนั้นพวกอ่าอ่า พระอนาคาไม่ถึงไม่จรไนชาตไม่มีการเอาเกณฑ์เรื่องชาติมาว่าทีนี้ก็มีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นสกิทาคาที่เกิดชาติเดียวกับโสดาที่เกิดชาติเดียวจะมีอะไรต่างกันในแง่ของการเกิดก็ตอบว่าในแง่ของการเกิดไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเกณฑ์เรื่องการเกิดเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแน่มันอยู่ที่ว่าเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดอย่างไร นั่นเองแล้วก็โสดาบันกับกีตาค า, ามาีความใกล้เคียงกันมากก็เรียกว่าในเกณฑ์ของโสดาบันอของเป็นพระโสดาเนี่ยโสดาชั้นดีดีในแง่ของผู้ที่เบื่อว่าตระทุกศารเนี่ยหรือผู้ใกล้นิพานเนี่ยโสดาบันชั้นดีก็เกิดญาตเดียวคุณสมบัติมาทัดเทียมกันกันกบพระส ก, กิตาคามีพระส ก, กิตาคาจะเกิดขึ้นงญาติก็ไม่ได้จะไม่เกิดก็ไม่ได้ไมันต้องเกิดมันก็เลยพระสกิตาคาก็เลยต้องเกิดนั่นแหละชาติเดียว ไม่ว่าตามเกณฑ์ตองการเกิดแต่ที่าที่ทรงตรัสถึงทุกในทุกในสังสารวัตก็จริงนะบางแห่งได้ทรงแสดงถึงทุกที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจทุกในเรื่องชีวิตจิตใจถ้าทุกในเรื่องชีวิตจิตใจเนี่ยบางทีไม่แน่คือถ้าเป็นเรื่องทางใจเนี่ยแน่เอาเงี้นะะเรื่องทางใจเนี่ยแ แต่ว่าเป็นทุกข์ที่เกิดจากวิบากคือทุกข์ที่เกิดจากความยึดรือ ท, ท, ทุกข์ที่เกิดจากวิบากทุกข์ที่เกิดจากวิบากนี่พูดถึงว่าเป็นสดาบันและยังไม่ตายไ น, นะไม่แน่ครับเราเองเป็นปุถุชนแต่ในชาตินั้นในพูดถึงในชาตินั้นเราอาจจะไม่ถูกฆ่าตายก็ได้อาจจะไม่อดข้าวตายก็ได้อาจจะไม่เป็นโรคกุดถังเหมือนอย่างสุ ป, ปาพุทธากุดตีก็ได้ อาจจะไม่หิวโหยตลอดชีวิตเหมือนอย่างพระโอตถกติษาก็ได้อันนี้เฉพาะชาตินั้นแต่ชาติหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นหนักยิ่งกว่านั้นก็ได้ไม่มีหลักประกันอรนนี้ยังเป็นบุติชนอยู่แต่ถ้าเป็นทุกข์ใจทุกข์เพราะกิเลสแล้วพระโสดาบันทุกข์น้อยมากเราะอะไรเรากิเลสลดความทุกข์เพราะกิเลสนั้นก็ไม่มี กิเลสใดไม่มีความทุกข์ขกิเลสนั้นไม่มีเช่นว่าความทุกข์ที่เกิดจากความมัจฉริยะไม่มีมัจฉริยะคือความตนีทีนี้ทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรเราก็รู้เมื่อมีการแสวงหาก็ได้มาเมื่อได้มาก็มีการหวงแหนเมื่อมีการหวงแหนก็มีการปกป้องเมื่อมีการปกป้องก็มีการทะเลาะทุ่มเถียงปฏิสไลกันด้วยวาจาขึ้นมึงขึ้นกู วัุสลายกันด้วยท่อนไม้ด้วยอ า, าวุธต่างๆอันนี้ก็เนื่องมาจากมัจฉริยะหรืแม้แต่ความอิจฉาก็เหมือนกันก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้ง อ, อทุกเดี๋ยวนั้นทุกยังขยายตัวมันก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดครับเรื่องความทุกข์ในชีวิตเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์ในชีวิตก็ไม่เข้าใจว่าความทุก ทางใจที่เกิดจากความยึดถือใจ ก, กิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างไรคนที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์ในทางกินโหลับนอนก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์อย่างไนเราต้องไปดูคนที่เขาอดอยากยากจนเขา้เขาสารมาซื้อทีละกิโลเนี่ยซึ่งกิโลก็ไม่ไม่กีนนะ่ตาซื้อทีละกิโลทีละถุงซื้อฐานทีละนิดทีละหน่อยง น, นะ เนี่ยเขาอดอยากยากจนวันวันหนึ่งเขาคงจะคิดกังวนลนึยพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอย่างนี้เรายังไม่เคยยัเข้าใจเลยเนี่ยเพราะว่าหลายคนคงจะไม่อาจจะเคยมีปัญหาอย่างนั้นมาแต่ว่าเวลาที่มันมาพ้นใจปัญหาอย่างนั้นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นน่ากลัวอะไรแต่คนเหล่านั้นเขามีความกังวลมีความน่ากลัวกับสิ่งเหล่านั้นแต่คนที่มีความทุกข์เพราะกิเลสเนี่ยมันก็เป็นความ เจ็บปวดเลยเถียงกันไม่แ p a ไม่ยะนะว่าทุกแบบไหนจะน่ากลัวกว่ากัน เ, เป็นอันว่าผู้ที่เป็นโสดาบันและจิตใจสงบเย็นอยู่เป็นปกติทีนี้ก็มีคำถามว่าคำถามที่มีมีการถามกันอยู่นานๆครั้งว่าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ย ยังจะจนอยู่ต่อไปหรือไม่ถ้าเป็นโสราบัญยากจนอย่างเช่นสุ ป, ปพุทธะเป็นโสราบันกินเดน่นขอทานนเพื่อไงมันเป็นขอทานขอเขากินยังเป็นอยู่ต่อไปหรือไม่โสดาบัญที่เป็นโรคร้ายแรงยังเป็นอยู่ต่อไปหรือไม่อย่างคนเป็นโรคอุดถังโรคเรือนเป็นโสราบันคือสุ ป, ปพุทะก็มีปัญหาว่าเออท่านหายห ตอบว่าท่านไม่ทันจะหายคือเพราะว่าดงควายปิดตายซะก่อนเพราะว่าไออารีคุณเนี่ยบางทีไม่สามารถจะชุบชีวิตใหม่ได้ก็เรียกว่า อ, อควรจะไปเกิดใหม่กรรมนั้นก็ทําให้ไปเกิดใหม่แต่โสดาบันที่มาเกิดใหม่แล้วเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ยากจนไม่ยากจนเด็ดขาดอํานาจของโสดาปฏิมรักษเนี่ย มันจะมีพลังคือคุ้มบาปกันบาปที่จะเข้ามาเบียดเบียนบีทาที่จะมาทำไม้ยากจนไว้ได้เป็นการคุ้มครองอยากอาเรียมังแล้วก็จะเป็นตัวให้โอกาสแกกุศลกรรมตั้งแต่เกิดพูดง่ายว่าชานกอสโดาปฏิมังเนี่ยปิดอบายอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็นำสุขคติ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมาให้จะไม่พิการจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงไอ้เล็กน้อยอาจจะมีแล้วก็จะไม่ยากจนคือไม่ต้องทำนานก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ โตรบันก็น่าเป็นอย่างนี้แต่เสียเสียเสียเสียอย่างเดียวเป็นได้ไม่กี่ชาติเป็นทุกชาติได้ก็ดีนะไม่ต้องไ ป, น, ปนิพพานจะได้ใช้เงินได้เลินไปเลยก็สรุปแล้วเนี่ยความทุกข์ไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีถ้ามาเกิดใหม่ทุกอย่างเพราะว่าเรามานึกถึงว่าแมมคุณธรรมที่เกิดขึ้น อย่างเป็นว่าปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมได้ทำมากอะไรก็รู้สึกว่ามันได้ช่วยต่างเยอะนะอนี้ถ้าเป็นโสดาบันล่างกิเลสหลายๆอย่างไปได้แล้วเนี่ยชีวิตคงจะดีมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโสดาบันอย่างเกิดเจ็ดชาติในสูตรนี้จึงมีคำไว้อย่างยิ่งเจ็ดชาติแล้วก็ตรัสในตอนท้ายว่า ดูก่อนภิกษุต่างหลายการตรสัสรู้ทำให้สําเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แหละคาว่าประโยชน์ใหญ่ท่านใช้คาว่ า, ามาหัดทิมาหิมหาอัถิอัฐะแปลว่าประโยชน์เรียกว่ามหัดถ่าเลมหาหามาหาคือประโยชน์ใหญ่การได้ทำมาจากสุ ธรรมจักรุหมายถึงโสดาบันมีธรรมจักรสุในโสดาบันอ่าญาณจักรสุคืออรหรันตทิพจักรสุตาทิพเป็นอภินญาตาทิพทิพจักรสุแล้วก็พุทธจักรสุหมายถึงตาของผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นบุติเจา้าดูเวนิยัสยาส ว่าอินทรีย์ของสัตว์ยิ่งย่อนอย่างไรดูอัตยาสายของสัตว์เวลาแผ่ขายพยานตอนเช้าตอนเย็นนั่นแหละเป็นพุทธจักรสูแล้วก็สมันตาจักรสูหมายถึงสัพยุตญาณความตาสะรู้ธรรมคือสมันตาจักรสูเนี่ยเป็นจักรสูในทางข้อมูลในทางความรู้ อพุทธจักรสูในทางการอนุเคราะห์จักรสูในทางการอนุเคราะห์เอาความรู้นั้นมาเกื้อกูลแก่สัตว์ความรู้จักรู้จักธรรมก็รู้จักสาวกเทียบอย่างเนี้ยแต่มันต่างจักรสูคือสรรพยุติยานรู้จักธรรมพุทธจักรสูรู้จักสาวกที่จะทรงสงเคราะห์ด้วยธรรมในที่นี้ใช่คําว่าธรรมาจักรสูจึงหมายถึง โสดาปฏิมาขยันเนี่ยปะบรรลุโสดาปติมาให้สําเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แหละไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีเพียงเจ็ดชาติซึ่งเป็นเหมือนทุกที่อยู่ที่ปลายเล็บทุกเท่าขีเล็บปูมีงาเอาละมาดูสูตรถัดไปสูตรที่เหลือนอกนี้ก็ต่างกันที่อุ ป, ปมาเท่านั้น สูตรที่สองชื่อว่าโปะกรณีสูตรคำว่าโปะกรณีหรือโบะกรณีนั้นแปลว่าบึงก็ได้แปลว่าสระก็ได้ในที่นี้แปลว่าสระบึงน้องเรียกว่าสระโบคกรณีสระโบะกรณีซึ่งเป็นสระขุดหรือเป็นสระธรรมชาติหรือเป็นสระที่แต่งจากสระธรรมชาติก็เรียกว่าสระโบะกรณีเป็นที่ น้ำอาศัยกินอาศัยใช้และสะโบคกณีชนิดที่เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็มีอย่างสะโบกกรณีที่เมืองเวสาลีที่เราไปเห็นมานั่นก็ถือเป็นสะศักดิ์สิทธิ์สะโบกกรณีที่พระเจ้าโศกขุดทั่วอินเดียก็เป็นสะใช้ไม่ใช่สะศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าได้ตรัสในที่นี้ว่าสระโบกกรณียาวห้าสิบโยกด์กว้างห้าสิบโยต์ท่านก็คิดดูก็แล้วกานสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยต์ นี่ก็เหมือนเป็นทะเลสาบครับลึกห้าสิบโยชน์มีน้ําเต็มเสมอขอบกาดื่มได้บุรุดวิตน้ําขึ้นจากสะกระโบปกดีนั้นด้วยปลายยาา่าขาเธอจะสาคัญความข้อไหนข้อนี้เป็นจะไหนน้าที่บุรุษวิตขึ้นด้วยปลายยาคาก็ดีน้ําในสระโบปกติก็ดีอันไหนจะมากกว่ากันนี่ก็มีอุปมาอุปไมเช่นเดียวกันครับว่าความทุกข์ของพระโสดาบันนั้นเหลือเท่ากับ น้ำที่วิตขึ้นช้อนขึ้นจากสาญ่ด้วยปลายยาค่ะนั่นคือความทุกข์ที่พระโสดาบานนันมีเราผ่านไปถึงสูตรที่สามชื่อว่าปฐมเพชะอุทธกะสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งที่ได้กล่าวถึงน้ำสองสามหยดกับน้ำในที่รวมบรรจบหรือแม่น้ำมาบรรจบกัน สามเพชาอุตกาเนี่หมายถึงน้ำที่มาบรรจบกันคือน้ำจากแม่น้ำต่างๆหลายมาบรรจบกันดังที่ตรัสว่าดูกนวิสูตทั้งหลายน้ำแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือคงคายมนาเจระวดีสรภูมหีไหลามาบรรจบกันบุรุปพึงวักน้ำขึ้นสองสามหยดจากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไหนน้ำสองสามหยดสามหยาดที่บูรุษวักขึ้นก็ดีน้ำในที่บรรจบกันก็ดีข้อไหนอันนี้ก็เป็นข้อเทียบคือปากน้ำที่แม่น้ำมาบรรจบกันเหมือนปีนวังยมน้านมาประสานที่ปากน้ำโพเกิดเป็นที่แหล่งรวมใหญ่ของน้ำ กับน้ําที่ช้อนขึ้นอนี้ก็เป็นข้ออบาหมาเปรียบเทียบเหมือนกับความสุขความทุกข์ของพระโสดาบันทีนี้อถ้าเป็นอย่างของเรานี่ต้องเปรียบเทียบกลับกลับนี่จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะถ้าวัตถุทุกนี่เห็นใจกลับแม้กลับก็ยังไม่ได้อยู่ดีถ้าเป็นทุกข์อื่นๆก็พอได้ว่าน้ําในแม่น้ําบรรจบกันนั้นเป็นความทุกข์ที่เรามีอยู่น้ําที่ช้อนขึ้นด้วย มือวักขึ้นเนี่ยสองสาหยดเหมือนกับความทุกข์ที่เรามีไอ้ความสุขที่เรามีคงจะเปรียบเทียบไปอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าคิดนะแค่ว่าไอ้ความสุขที่เรามีสองสาหยดเนี่ยเราก็ยังรู้สึกมันใหญ่โตแล้วนะใช่ไหมฮะทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราพอใจไหมล่ะแน่ใจแล้วเราก็รู้สึกแหมเราก็ไม่ใช่ไม่เบาแล้วนะเนี่ยลองคิดดูนะ ยิ่งไปเห็นคนอื่นต้องมีความทุกข์มากมากว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเออความทุกข์เราเยอะไอ้ความสุขเราเยอะหน้าที่การงานก็มีการงานก็มีอาหารการกินเราก็ไม่ต้องหดอยากบ้านจองของหอมีที่ดินมีอะไรเป็นของตัวเองสังคมเพื่อนฝูงก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมีพระเจ้าบนดินก็ดีอะไรก็ดีรถติดไม่ดีแต่นั้นแหละแต่ยังไงก็รู้สึกว่าดี เราก็ยังว่าเยอะแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านกลับเห็นวงวันข้ามกับเราอีกสูตรหนึ่งปฐมปทวีสูตรปฐมปทวีสูตรคือเรื่องก้อนดินมันแปลว่าเรื่องดินนะหมายถึงก้อนดินสูตรที่หนึ่งความว่าเรื่องก้อนดินเจ็ดก้อนกับแผ่นดินข้อ น, นี้ก็เปรียบเทียบว่าดูก่อนพิสูตตั้งหลายบุญหลุดพึงวางก้อนดินเท่าเม็ดกระเบา้เจ็ดก้อนไว้ที่แผ่นดินใหญ่ เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นจะไหนก้อนดินเท่าเม็ด ร, ระเบาเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ก็เป็นดินใหญ่ไหนจะมากกว่ากันอันนี้ก็ดินเจ็ดก้อนกับเป็นดินใหญ่เนี่ก็ถ้าเราเอาก้อนดินมาปั้นเป็นเจ็ดเม็ดแล้ววางเป็นสติเวลาเรามีความทุกข์ก็คงดีเหมะะนะือนกันนะอนี่นะนี่ความสุขของเราในเจ็ดก้อนเนี่ยความสุขของเรา แล้วก็แผ่นดินในแผ่นดินเป็นความทุกข์ของเราเพราะนั้นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเกิดนับว่าเราเก่งมากที่ทนไหวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอันมหาศาลอย่างนี้อะไปดูสูตรถัดไปเลยทุติยาปตะวีสูตรอ่าขอนี้ก็เปรียบเทียบลักษณะเดียวกันแต่ว่าการเปรียบเทียบอาจจะกลับมานิดหนึ่งว่าดู เมื่อกี้พูดว่าทุกที่หมดไปคือจะพูดว่าข้างไหนหมดไปข้างไหนเหลืออยู่ต่างกันตรงข้อเปรียบเทียบอย่างนี้สำหรับสูตรที่สองเนี่ยตัดว่าแผ่นดินใหญ่พื้นหมดไปทิ้นไปเหลือก้อนดินเท่าไมะเบาเจ็ดก้อนเธอจะสำคัญความข้อไหนว่าไอเป็นเป็นดินใหญ่ที่หมดไปทิ้นไป แปนดินที่เหลืออยู่เจ็ดก้อนทั้งไม่กระเบาในไหนมากกว่ากันข้อนี้ก็เป็นอุโมงคมาที่สูตรตอบแล้วก็ได้ความว่าความสิ้นไปแห่งทุกเหมือนกับแผ่นดินใหญ่ที่หมดไปความทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนกับก้นอนดินเจ็ดก้อนก็เปรียบเทียบ ก, กลับกันกับสูตรเมื่อกี้ ทีนี้ก็มาดูสูตรที่ชื่อว่าปฐมสมุทสูตรสมุทะเป็นรูปภาษาบาลีแปลว่าทะเลก็คือสูตรที่ว่าในเรื่องทะเลสูตรที่หนึ่งเหมือนกับน้ำสองสัมยตกับน้าในทะเลอันนี้ก็คล้ายกันอีกครับน้ำสองสัมยตในที่น้ามาบรรจบกันกับน้ำสองสัมยตในทะเลก็เป็นเรื่อง ที่อุปมาอยคล้ายๆกันเราก็คงผ่านไปได้ดังนั้นถ้ า, าไปไปเที่ยวทะเลต้องการเจริญปัญญาก็ลองเอามือยืดยกขึ้นมาแล้วก็นึกถึงพุทธพจน์ตรงนี้แล้วก็มองพืนน้ำมาหืมมาในมหาสมุทรว่านั่นล่ะคื อ, อพื้นฐานที่แท้จริงคือปัญหาชีวิตคือความทุกข์ในสงสารที่เรามีอยู่ทุติยสมุทสูตรเทียบคล้ายๆกัน เป็สูตรคล้ายกันแต่ว่าเปรียบเทียบกลับกันว่าน้ำาหาทั้งหมดสิ้นไปหมดไปยังเหลืออยู่สองขั้หยดน้ำที่ไหนจะมากกว่ากันก็แน่นอนน้ำที่หมดไปอันนี้ก็ความจริงทำไม่ได้เป็นเพียงข้อเปรียบเทียบเท่า น, นั้นจะจะทำให้น้ำในทะเลเหลือสองขัหยดเัวนไไม่ได้ในทางปฏิบัติก็สมมติเปรียบเทียบอันนี้ก็เหมือนกันครับ ลระโสดาบันทุกหมดไปเหมือนน้าในมหาสมุทรทุกเหลืออยู่้องสาหยดเหมือนน้า ม, มหาสมุทรและสูตรที่เก้าประถมปรับพะ ร, ะ ร, ะระตูปะมะปรับพระตูปมะปรับพระเนี่ยแปลว่าภูเขาแล้วก็อุปปะมะก็คือเปรียบเทียบความว่า อุปมาด้วยหินเจ็ดก้อนกับภูเขาหินมะวันว่างุะโบลต์วางหิน 7, เจ็ดเท่าเม็ดพันประกาศเจ็ดก้อนไว้ที่คุณเขาหิมวันอันไหนจะมากกว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันดีครับมเม็ดพันประกาศคือก้อนหินนั้นเล็กน้อยชั้นใดก็ชั้นนั้นว่า ทุกของพระโสะดาบันเหลืออยู่เล็กน้อยหมดไปมากแล้วก็มาถึงอีกสูตรหนึ่งก็คล้ายกันอีกครับทุติยาปะประตูปรมาสูตรซึ่งเป็นสูตรที่สองว่าขุนเขาหิน ม, มืวันหมดไปกับก้อนหินเท่าเม็ดมันประกาศเจก้อนเหลืออยู่อันไหนจะมากกว่ากันโดยอุปมาอุปไัย ก, ก็เหมือนกันและสูตรสิบเอ็ดซึ่งเป็นสูตรสุดท้าย ตาติยาปรประตูปะมะสูตรบุรุษพึงวางก้อนหินเท่าเม็ดตัวเขียวเจ็ดก้อนไว้ที่ขุนเขาซีเนลุกอันนี้ก็เป็นแต่เปลี่ยนขนาดก้อนหินเจ็ดก้อนแล้วก็เปลี่ยนเขาขุนเขาหิมาวันมาเป็นเขาซินเนลุกเขาซีนเนลุเป็นเขาที่เป็นที่อ า, อาศัยอยู่ของเทวดาชเชนดาวดึง แล้าเขาเซเนลุนั้นมีอยู่หลายที่ในสากลและจักรวาล น, นี่และเทวดาทั้งหลายก็มีไปผูกพันอยู่กับพุนเขาเซเนลุหลายที่ไม่ใช่ที่เดียวกันที น, นี้ตรงนี้นะพิเศษตรงที่ว่าทรงตรัสเปรียบเทียบพิเศษไปกว่าธรรมดา เมื่อพิษุทั้งหลายกลาทูลว่าขุนเขาเสเนลุกมากกว่าก้อนหินทำให้ตัวเขียวเจ็ดก้อนน้อยกว่าแล้วผู้มีภาะคัตตร์ว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายว่าชั้นนั้นเหมือนกันแลการบรรลุคุณวิเศษแห่งอัญญาเดลถีธรรมน่าป ร, รามและปริปลาชกเมื่อเทียบกับการบรรลุโสดาปติมัคแห่งบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสมบูรณ์ในจิติ มีอาธิคมใหญ่อย่างนี้มีอภิญญาใหญ่อย่างนี้ก็หมายความว่าเทียบอนุภาพเทียบอนิสงส์เทียบความจักด์สิทธิ์เทียบอะไรทุกอย่างเนี่ยครับพวกสมณพราหมณ์ ญ, ญาติหลายีคือพวกการบรรลุธรรมด้วยวิถีทางนอกศาสนาแม้ว่าจะได้ฌานได้อภิญญาอย่างเช่นว่าได้ฌานแปดได้อภิญญาห้าครบหมดท่านก็ถือว่าสู้โสดาปติมัคไม่ได้ แม้ว่าผู้บรรลุนั้นจะเป็นคารวาสครองเรือนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นชีเป็นสัมมณเณรประเสริฐกว่าอตรงนี้เน่ะเป็นเรื่องของถือเอาอานิสงส์ทางความพ้นทุกข์เป็นเกณฑ์ละกิเลสโดยสมุดเฉดเป็นเกณฑ์พ้นทุกข์เป็นเกณฑ์เกี่ยวข้องกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ได้ฌานเนี่ยไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นกิเลสโดยเด็ดขาด แต่ว่าในสายตาของชาวโลกเนี่ยย่อมจะตื่นเต้นกับคุณวิเศษในทางฌานมากกว่าในทางอภิญญาคือว่าเรื่องของฌานอาพิญญากับโสดาปฏิมักเนี่ยถ้าพูดถึงอา น, นิสงส์ที่ได้นะฮะการบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเองมากกว่าเป็นประโยชน์ที่ไม่ต้องแบกต้องหาม แต่การบรรลุอภิญยาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่คนอื่นมากเป็นที่ตั้งของความโลภความบินดีเป็นที่ช่วงชิงแก่คนอื่นมากเพราะมันเป็นเรื่องคุณวิเศษใกล้กามใกล้วัตถุกลามเมื่องไปวัตถุการามชาวโลกถึงตื่นเต้นแล้วก็มีการช่วงชิงผลประโยชน์แอบแฝงอะไรอะไรเข้ามาเหมือนปลาขลพระาสักิเนี่ยครับลองดูก็ได้เราก็พูดกแม่ยางเช่นว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ย สื่อพิมก็มาเขียนวิวาบุญจางกันหลายครั้งเกิดไอ้แกงผลประโยชน์ขึ้นมาอย่างน่าเกลียดน่าชังที่นั้นเข้าไปหมกมุ่นพัวพันธุ์ที่นั่นนะแล้วก็แม้แต่พระที่เป็นพระมีชีวิตกรเถะครับก็มีคนเข้าไปแอบแฝงเข้าไป อ, ไอย่างนี้นะเพราะนบางคนเนี่ยหากินกับพระโดยตรงเลยเขารู้จักหมดรู้จักดีกับเราอโอ่้อยองไรแบพระในกรุงเทพพระน้ำด ง, งน้ำเด็ดอะไรเขารู้จักหมด แต่เขาทำหากินไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปแปลว่าพระท่านมาหากินด้วยนะแต่ว่าเขาเข้าไปแล้วก็ไปทำตัวหากินกับแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโสดาบันนั่งเงียบอยู่เฉยๆไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทา่านจะบอกว่าโลกุตละเนี่ยเป็นอนาสวะ ไม่เป็นที่อาศัยเกาะเกี่ยวของอาตรวะของใครเพราะมันเป็นของละเอียดประหนี่จนทั้งคนใจบาปหยาบช้าคนแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยจะมาชื่นชมยินดีจะมาเอาผลประโยชน์จากอาเรียคุณเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์ก็เลยตกแก่ผู้นั้นโดยตรงและเป็นผลประโยชน์ที่ตัวเองได้จากคุณของตัวเองโดยไม่ต้องไปอ้อมผ่านอ้อมผ่านมาเพราะว่า มดติว่าเรามีฤทธิ์ไปเหาะให้คนดูเขาก็มาเรื่มใส่มาใส่บาตรมาสร้างกุฏิให้อยู่อย่างงี้นะแต่คนที่มีอเรียคุณในอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นและกลับเป็นว่าจะไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการอวดใครแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทดแทนความผาสุกตรงนี้ได้เท่ากับคุณหลวงตัวเอง ไปหลบเงียบนอนกุมโปงอี๋ไหนก็ได้ก็เมื่อกี้ก็คุยกันน่ะเดี๋ยวก็เล่าแถมท้ายก่อนจบอ่าอย่างไอเวนกรรมชาตากรรมเนี่ยบางทีเรายังไม่ทันบรรุเนี่ยมันก็ยังหลุดนะพวกเราพวกเราเล่าเล่ากันแต่ละคนแต่ะเรื่องก็ไปแปลกแต่คล้ายๆกันเช่นบางคนเคยเป็นนักตบยุงมีว่าก็การตบยุง พอมาปฏิบัติทำแล้วปรากฏว่าโดนโยนยุงกัดไม่ใช่ยุงจริงมันเหมือนยุงกัดมาลุมตอมลุมกัดอยู่ก็ต้องแผลคือเรืยอเพอมีสติมีวิธีก็ไม่นะไม่งั้นก็คงจะเป็นบ้าไปไรได้เหมือนกันไอบางคนเคยไปหักขาเนกเพวกเราคนหนึ่งคนนี้อาจจะไม่ได้มาหักขาเนกพอไปนั่งส ม, มาธิโอ้โหมันปวดขาขาจะหักให้ได้ เอาอย่างนี้ก็มีเออต้องแผ่เมตมตาค อ, อยช่วยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีแหละคุณคุณชันปฏิบัติธรรมเป็นโรคหมอฟรีลอยบาทบอกหัวใจล้มเหลวเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปในหัวใจนี่เจ้าตัวเล่าหยกหยกเมื่อกี้นะผมก็เลยขออนุญาตมาเล่าคืนนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาลอยๆมันก็ไม่ยอม น, นะเพราะมันไม่โดนเจ้าเจ้ากรรมนายเวรต้องแผ่ ให้กับปูที่ตัวเองเอาตะเกียบไปแทงอกเขาไว้ไอ้ปูที่เขาหมัดขาแหละแล้วก็พูดแจ้ชัดก็คือแม่สามีต้องการจะทําบุญให้ลูกสาวทําบาป ใ, ให้ลูกสะาใภา้ทําบาปเอาตะเกียบมาแทงอกปูตายไปสามตัวก็จะมีอะไรอื่นบ้างหรล่าหรแค่สามเลิกเลยนะไปแทงให้มันตายคือแม่สามีแนะนําเทคนิคก็จะทําให้มันตายโดยไม่บอบชา้าหรือบอดช้าน้อยที่สุด เออพอต่อมาก็เกิดมาเป็นอาการหเหมือนมีอะไรแทงเจ็บปวดหมอกว็วินิจฉัยเป็ น, นันเดียวกับมองไม่เห็นกรรมนี่กล้องเอกซเรย์ไม่เห็นกรรมได้ไงก็มาทํากรรมฐานก่อนไปอินเดียนะเลยได้ไปอินเดียพี่ตอนนั้นป่วยกๆกันอยู่ปักนึงอ่ะก็แผลเมตาแล้วกระบูุว่าแผลให้กับปูอุทิศดวงศนให้กับปูที่ไปทําไปก็เลยหายเป็นปิดทิ้งมันก็เป็นเรื่องแปลก แต่เราเข า, ามางแต่แปลนี่ก็พูดแบบโลกล่งก็แปลกไอ้กรณีอย่างนี้มีเยอะแหละมีเยอะเลยครับเป็นเรื่องที่ทุกที่เกิดขึ้นจากกรรมถ้าไม่ทําร้อยมันให้ผลมันก็ให้ผลไปตามวาลามันแต่พอมาทําเนี่ยมันขยายหมดเห็นกรรมกรรมให้ผลเลยซึ่งไอ้ตอนเนี้ยดีเพราะาเราควบคุมควบคุมสามารถที่จะแก้ไขดูแลแล้วก็ทําให้ให้เราหลุดก็มีคนถามเอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแผ่นเนี่ยเราจะพ้นจากกรรมหรือไม่ อย่างลายลุงกัดกระตามบอกว่าแผรแล้วเออยุงก็หายไปแต่ไม่รู้ว่าแพรกี่ผลนะก็พยายามเต็มที่แหละเราค้นกรรมไหมอย่างนี้ตอบว่าไอ้ที่ว่าพ้นคือพ้นพอที่จะเป็นอุปสรรคการปฏิบัติแต่ไอ้กรรมที่เราทําำก็จะต้องไปให้ผลในฐานะอื่นในสภาพอื่นต่อไปอย่างอย่างคุณชันไม่พนน้นต้องนะ<ม>พ้นพอจะไม่เป็นอุปสรรคที่จะประพฤติ ท, ทำปฏิบัติธรรม แต่ว่าเขาการแก้กรรมนึ่งแก้ไม่ให้มันมาให้ผลในจังในจังหวะที่เรากําลังเสกผลประโยชน์ได้บางอย่างอยู่เนี่ยก็ช่วยเราได้แล้วใช่ไหมละ่ะอย่างเนี้ยเราไม่เสียธรรมะแล้วก็พอจะทำอะไรอะไรได้แต่ว่าเมื่อเขาไม่ให้ผลแบบกับปี่กับปลอยที่หลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ไม่ไม่ได้รับความทุกข์กวนประด้อนไดมากวันนี้ขอต้งควรเก็เวลานะครับผม ขอเจิญแผ่บุญของท่านให้เป็นปฏิทานนำใหม่แกสัตว์เหล่าอื่นที่ต้องการพึ่งบุญของท่านที่มาประชุมร่วมกันพร้อมกันในที่นี้ด้วยอำนาจบุญที่พวกเราได้ทำร่วมกันในการแสดงธรรมในการระดับปรับฟังธรรมติดต่อกันมา ในเวลาประมาณสามชั่วโมงเราขออุทิศให้แก่สรพสัตด้วยอำนาจบุญที่ทำาในการใส่บาตรด้วยอาหารหวานขาวน้ำดื่มและยารักษาโรคแกพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจของการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนา ที่ได้ทำในเช้าวันนี้และบุญอื่นๆที่ได้ทำในวันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยทานปล่อยสัตว์ให้ธรรมทานให้วัตถุทานรวมทั้งบุญกิยาอื่นอีกทั้งสิบประการได้ทำด้วยตัวเองได้ทำร่วมแก่ผู้อื่นขอบุญทั้งหลายเหล่านี้จงบังเกิดผล ก่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลที่เป็นเทวดาประทางเปรตอสุลกายสัตว์เลีชานสัตว์นรกแก่รมมาบุคคลทั้งที่เป็นญาสาโลหิตของข้าพเจ้ามาก่อนทั้งที่อยู่ใกล้ชิดข้าพเจ้ามีจิตเกื้อกูลต่อข้าพเจ้า หรือที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของรพระพเจ้าขอให้ท่านทั้งปวงจงตั้งจิตกล่าววาจาอนุโมทนาสาธุซึ่งบุญของพวกเราทุกคนในที่นี้ที่อุทิศให้เมื่อท่านทั้งหลายอนุโมทนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายชงได้อัตพภาพที่ประกอบดปวยรูปและนาม ที่บริสุทธิ์สะอาดเข้มแข็งสดชื่นกระเพื่กับเป่าปราศจากอันตรายและโลครคภัยไข้เจ็บจงได้ปัจจัยสีเครื่องดำรงชีพทั้งข้าวปลาอาหารน้ำดื่มที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและได้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ท่านต้องการปรารถนา ได้คุณธรรมได้ธรรมะได้ประยัดได้ปฏิบัติและได้ประโยชน์จากธรรมและขอให้ท่านทั้งปวงจงเป็นที่พึ่งที่อาศัยของผู้ตกยา่ากอื่นๆต่อๆไปด้วยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ ได้อุปที่สมบัติคือได้คุณภาพชีวิตที่พระ n ีตดีงามได้ความเจริญในธรรมอย่างไม่ถอยกลับมีพลังเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อแผ่แกบุคคลอื่นโดยไม่เลือกหน้าและขอให้ ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมตามเจตจำนงปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยประการนั้นๆโดยโรวดเร็วสัพเพสตต า, าเวลาพยาปัชาอานีขาสุเอตตาณวลิหะรันตุปิดประชุมทนทีครับ